ขอความสุขพังเจริญจุงมีและท่านผู้ฟังท่าไหร่ใต้ร่มประโรธิญาณในวันนี้ก็คงจะประรบเรื่องที่จะนำเข้าไปสู่ประเด็นซึ่งจะบรรยายสืบต่อกันเป็นเวลานานนั่นก็คือเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและการสำคัญของความเป็นศาสนา ในสองแนวอย่างที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนนั้นศา ส, สนาประเภทเทวนิยมที่ให้ความสำคัญแก่เทพเจ้าสูงสุดจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามเราเห็นว่าตำแหน่งศาสดานั้นมันจะมีสถานะเป็นตัวแทนหรือเป็นทูตหรือเป็นลูกของสิ่งสูงสุด ก็เป็นการทํางานภายใต้การสั่งการของพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าคําเรียกพระผู้เป็นเจ้าก็ดีเรียกพระเจ้าก็ดีเรียกชื่ออย่างอื่นก็ดีเนี่ยมันเป็นการแปลขึ้นในภาษาไทยจากคาว่ากศเราอาจจะเรียกพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าแต่ถ้าเราศึกษาเรงความเป็นมาในสังคมไทยเราจะพบว่า คำว่าพระเจ้านั้นเราใช้เรียกพระพุทธรูปหรือเรียกองค์พระพุทธเจ้าเองจนวันพระเจ้าเปิดโลกพระเจ้าเก้าตื้อพระเจ้าเก้าแสนพระเจ้าองค์นั้นตรงนี้ก็ว่ากันมากมายแก่กองส่วนใหญ่จะอยู่ในแถวภาคเหนือกับภาคอีสานคำว่าพระพุทเจ้านั้นเป็นคำที่คนไทยเรียกพระสงฆ์ เมื่อศาสนาครต์เข้ามาเผยแผ่ในเมืองไทยเขาก็คงจะต้องคิดคำนะฮะแล้วในที่สุดก็นำคำเหล่านี้ไปเรียกพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาของเขาก็คือพระยโฮ ว, วาที่เขาแปลเป็นจากภาษากังกษวกอตนะฮะซึ่งบาันรามความจริงก็คือการเป็นการแลกเปลี่ยนกันในด้านภาษา ที่จะสื่อสารแต่ต้องทาความเข้าใจกันว่าคำเหล่านั้นในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นจะหมายอย่างหนึน่งจะในความหมายของศาสนาเทวนิยมจะหมายไปอีกอย่างหนึง่งอาจจะตั้งปัญหาถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ตอบได้ว่าคือศาสนานั้นมันเกิดทีหลังภาษา หมายความภาษานั้นเ้ามีอยู่ก่อนก็สื่อสารอยู่ก่อนเมื่อศาสนาบางเกิดขึ้นก็ต้องสื่อสารติดต่อกับชาวบ้านหรือประชาชนด้วยภาษาที่เขาเข้าใจแต่ทีนี้ภาษาบางคำเนี่ยมันไม่สามารถจะให้ความหมายได้เต็มที่มันจึงมีการไขความออกไปตั้งหลายหลายคำ และวการวามไปแล้วบางทีก็มีปัญหาเหมือนกันในการทําความเข้าใจก็ต้องมีการอธิบายทีนี้พระพุทธศาสนาของเรานั้นจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นคือตําแหน่งของพระพุทธเจ้านั้นที่จริงพระพุทธเจ้าก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราจะพูดสํานวนอับราฮัมลินคอนที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของมนุษย์โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์ หมายความว่าพุทธเจ้าก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ก็เป็นบุคคลประเภทที่เรียกว่าอภิมนุษย์คือมนุษย์ที่เหนือมนุษย์เหนือมนุษย์ในเรื่องอะไรเหนือมนุษย์ในด้านวาสนาบารมีที่สะสมบุบรมผ่านพบชาติมาเป็นนันเองนั่น แลกเหนือมนุษย์ในด้านการมองโลกมองชีวิตจากจุดเดียวกันนั่นเองแต่ว่าท่านมองแตกต่างกันเดเหนือมนุษย์ในฐานะที่ทรงศัตรุคือเหนือมนุษย์ทั้งหลายในเรื่องของปัญญาเรื่องของความบริสุทธิ์เรื่องของความการุณาหมายความในด้านพระคุณแล้วไม่มีใครทัดเทียมพระองค์ได้แต่ว่า ผลเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการสั่งการหรือการบั ด, ดาลหรือการเป็นทูตรับสารมาจากศาสดาแต่ไม่ใช่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะศาสนาผู้นั้นเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยมคือไม่ใช่ปฏิเสธความมีอยู่ของเทพเจ้าพระเทพเจ้าเหล่านั้นที่จริงก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเราเพียงแต่ว่า ก็ไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสูงสุดการบังเกิดในพบในชาติต่างๆแม้จะสูงส่งอย่างไรก็ตามก็คือเกิดรืยก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายนั่นก็คือกระบวนการธรรมชาติแล้วคนที่เกิดสูงสูงเช่นสมมติว่าเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกเนี่ยโอกาสที่จะหมนุนวนเข้าสู่สสกระแสของสารวัตรมันก็ช้าหน่อยแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องเกิดอีก แล้วก็ไม่แน่นะฮะอาจจะตกนรกก็ได้อาจจะเกิดเป็นเปรตก็ได้อาจจะเกิดเป็นสติสังก็ได้อาจจะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้ก็แล้วแต่มันจะเป็นไปตามกรรมของมันเพราะแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่สิ่งสูงสุดจริงเพียงแต่ว่าถ้ามองระยะสั้นๆมันก็อาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้อย่างยืนไม่แปรผัน นะสมมติว่าเราตายจากโลกนี้ไปคิดว่าตายไปสักห้าร้อยปีนะแล้วเราก็บังเกิดขึ้นมาแล้เราดึกชาติดได้เราอาจจะยังเห็นภูเขาหิมาลัยอยู่มันคงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าก็คงสภาพความเป็นภูเขาหิมาลัยอยู่แต่สมมติว่าเราตาย แล้วไปเกิดในภูมิโลกสุนานรู้เกินสุดที่จะนับจำนวนได้แล้วต่อมาก็ตายมาเกิดในโลกมนุษย์ะระลึกชาติได้นะก็อาจจะไม่เห็นภูเขา อ, อีมาอะไรแล้วก็ได้ก็แสดงเห็นว่าแม่ระดับภูเขาซึ่งถือว่ามันยดี่ประกอบที่แข็งแรงมันคงมากกถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องแตกทํลายเพราะอะไรเพราะความเป็นสังนขานของมันนั่นเอง แต่ยิ่งความเปลี่ยนแปลงในวิถีของโลกโดยการกระทําของมนุษย์บ้างโดยปรากฏการธรรมชาติบ้างโดยความเสียสมดุลของธรรมชาติบ้างโอกาสที่เปลี่ยนแปลงมันก็เร่งความเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะชีวิตในแนวที่หมุนวนในสังสารวัตรเนี่ยมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดา แต่พอเราตั้งปัญหาถามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถามใครล่ะมันก็ยุ่งเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าการที่เราเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือการที่เราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นมันก็กลับไปมองว่าเราถามใครล่ะถ้าถามพวกหมอดูหมอดูก็จะอธิบายไปอีกเรื่องหนึ่งไปถามหมอผีหมอผีก็จะอธิบายไปอีกเรื่องหนึ่ง ไปถามคนที่เชื่อในอำนาจของฟ้าดินส่วนมากก็วัดปณิธารนรจีนนะฮะเราจะเห็นว่ามักจะอ้างประกาศิทธิของฟ้าดินเป็นความประสมของฟ้าเป็นความประสมของฟ้าดินถูกกำหนดเอาไว้อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่าเปิดเผย อ, องค์การสวรรค์เป็นต้นเลยนั่นก็แสดงว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์มันมาจากข้างนอก แต่ที่จะมาจากข้างในมันก็เกิดเป็นปัญหาต้องถามต่อไปอีกเยอะนะถ้าเราศึกษาทําความเข้าใจค่อยคิดค่อยค่อยไปนิจพิจารณาผูอเอนที่มาสูงสุดนั่นแหละจะเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะสมมติว่าท่านเป็นสยามภูนะก็มักอธิบายและสํานวนของพราหมณ์ก็อธิบายเป็นสยามภูคือเกิดเองเป็นเอง แล้วก็ไม่มีเบื้องตน้นไม่มีที่สุดส่วนมากจะอาอธิบายลักษณะของพรหมพรหมหรือพรหมมันก็ได้แต่นะทีนี้ถ้าหากว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเกิดขึ้นแก่มนุษย์มันไปสืบเนื่องกับพรหมหรือพรหมมันเนี่ยตัวพรหมหรือพรหมมันนั้นมันนั้นเองจะมีปัญหาในแง่ของความการุณาของท่านคือแสดงว่าท่านเลือกที่รักมากที่ช่าง ถ้าท่านมีความเมตตาคุณาจริงๆเนี่ยท่านต้องให้ความเสมอภาคกันหม้ความการจะลงโทษก็ต้องมีเหตุผลควรแก่การลงโทษแต่ให้คุณก็ควรมีเหตุผลในการให้คุณแต่าสาไปถึงตรงนั้นไม่ได้ปรากฏว่าเป็นพระประสงค์เพราะพระประสงค์เลยยุ่งเลยพระประสงค์เทพเจ้าสูงสุดก็มีปัญหาในด้านสถานภาพของท่านว่ามันได้ขัดแย้งกันในตัวของท่านเอง พลนการสมรนี้เองพระพุทธศาสนาจึงได้สอนอีกแนวหนึ่งหมายความแม่องค์ที่เป็นศาสนาเองมันก็เป็นพัฒนาการในจิตวิญญาณด้วยการเพียนพยาบองท่านเองเราเรียกว่าสร้างสมบารมีมาคำว่าบารมีนั้นก็คือการเก็บการสะสมความดีผ่านภพชาติต่างๆมาเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่เราตอบไม่ได้แต่เมื่อเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราะจะเห็นว่ามันมีเบื้องหลังอะไรอยู่สำนวนศาสนาอาจจะพูดถึงบุญถึงบาปภาษาศิลธรรม จ, จะพูดถึงบุญถึงบาปแต่ถ้าพูดลึกจริงๆเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องบุญบาปเขจะพูดเรื่องอาสวะกับบารมี อาสาวนั้นก็คือกิเลส ท, ที่มีการเก็บการสะสมผ่านพบชาติต่างๆมาสร้างลักษณะนิสัยพื้นฐานแนวโนม้มความคิดอัตยาสายอินทร์อธิมุติอะไรอีกเป็นเอก อ, อ, อ, อนันเลยก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นมีความยิ่ ง, ค ว, งความย่อนแตกต่างกันแล้วเมื่อขึ้นสู่จิตใจของคนมันก็กลายปเป็นเจตนาคือเจตจำนงหรือความตั้งใจที่จะทาที่จะพูดที่จะคิด ก็ออกมาตามความรู้สึกที่เป็นกระแสของอาสวะแต่ภายในใจของมนุษย์นั้นมันก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเห็นไหมครมันมีทั้งที่เราเข้าใจและเราไม่เข้าใจพอเจอในตอนที่เราไม่เข้าใจก็มีปัญหาทุกจีแต่พอเจอที่ตอนเราเข้าใจเราก็แก้ปัญหาได้เพราะในจิตใจของเราจึงมีทั้งสองอย่าง โดยพื้นฐานจะแตกต่างกันเมื่อเราโดยสรุปถ้าเราสาวถึงพื้นจริงๆนะครในสายของบารมีนั้นพื้นฐานมาจากวิชาในสายของอาสวะนั้นพื้นฐานมาจากอาวิชชาและถ้าพูดที่เป็นรูปธรรมก็หมายความว่าสายของอาสวะนั้นก็มาจากความมืดเราลองนึกภาพว่าถ้าเราอยู่ท่ามกลางความมืดเนีย่ยไปจะเป็นยังไงบ้าง จะเดินจะเหินจะทำอะไรจะหยิบจะชวยจะอาบน้าจะทำอะไรยุ่งไปหมดเลยเหตุผลอย่างเดียวคือมันมืดมองไม่เห็นแต่ในจุดตัวนั้นเองซึ่งเคยสร้างปัญหาแก่เราทุกอย่างยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปสะดุดไม่หกล้มจะหยิบจะช่วยอะไรจะหลบจะหลีกอะไรจะใช้อะไรก็สามารถที่จะทาได้ ในสิ่งทั้งสองประการนี้มือมันเก็บสะ ส, สมเพิ่มขึ้นโดยเห็นว่ามังจะออกมาในรูปของสรรพกิเลสแต่ที่ท่านใช้คำว่าอาสวะนั้นก็คือหนึ่งในคำทั้งหลายที่ใช้คือตามปกติแล้วเราจะได้ยินเวลาพูดถึงการบรรลุมรรุผลเป็นพระอรหันต์อห า, หาที่เราเรียกว่าอารหรันต์ขีณาศพที่จริงขีณาศพมันก็ทับไปแล้วนะ หมายความบางมีอาสวะสิ้นไปแล้วคือไม่มีอาสวะท ถ, ถามอาสวะคืออะไรอาสวะที่จริงก็คือคือโลกโหลงนั่นเองแต่ว่าท่านเรียกอีเมลหนึ่งเรียว่ากามอาสวะอาสวะคือกามได้กรใจที่มีเชื้อความกําหนัดรักคร่พอใจในสิ่งสัมผัสทั้งหลายคือสิ่งที่ผ่านมาทาระสาทสัมผัส ส่วนมันเป็นเชื้ออยู่ภายในใจเราแล้วแล้วเชื้อเหล่านี้มันผ่านพราะผ่านชาติมาเป็นนันเอกันนั้นพอมากระทบก็สิ่งร้าวข้างนอกได้ เ, เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ดมด้วยจมูกได้ลิ้มด้วยลิ้นได้จับจ้องด้วยกายในขั้งแรกเนี่ยอวิชาสะวะมันจะขึ้นมาก่อนคือไม่รู้ก่อนแล้วพอเกิดรู้ขึ้นมาเนี่ย มันปัญหาว่าเราเห็นคุณค่าหรือเห็นโทษของมันเช่นสมมุติว่าอาหารเห็นครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยกินได้หรือกินไม่ได้เราไม่รู้ทีนี้เมื่อคนบอกว่ากินได้เราก็กินพอกินเนี่ยเราก็เกิดชอบไม่ชอบเกิดชอบเป็นชอบเพราะงั้นพอเจออาหารตรงนั้นเขา้าสมมุติว่าอาหารที่เราชอบแล้วกินต่อ แต่เราไม่ชอบเราก็มีกินทต่ที่ยากจากการชอบมันก็เก็บสะสมไว้ภายในใจเยอะมันก็กลายเป็นกามอสวะคือหมายความว่าสิ่งที่เราชอบอสิ่งที่เราชอบเราเนี่ยต่อมาถึงนเรียกวัตถุกามคือวัตถุที่ใจไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็สะสมอยู่ภายในจิตเนี่ยก็กลายเป็นอสระตัวตัวเหตุที่ให้เกิดการกําหนดเนี่ย เขาเรียกว่ากิเลสกามเดี๋ยวตัววัตถุที่เราไปกําหนดมันก็คือวัตถุกามก็ไม่มีอะไรโลกอนสัมผัสตัเองคือพูดไปพูดมาตรงนี้คือส่วนมากแล้วเวลาพูดกับคนทั่วไปเนี่ยปรกามแล้วคล้ายๆกับเรื่องมีเพศสัมพันธ์แต่ยัยงไม่ได้เกี่ยวนะฮะเพศสัมพันธ์มันเป็นหนึ่งในกามแล้วก็เป็นน้อยนิดในเรื่องของกามเพราะคําว่ากามเป็นคํารวม ตัวมันจริงที่จริงมันไม่ใช่กามไม่กามกมันกลางกลางมันไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเช่นสมมติว่าผลไม้เนี่ยเราเห็นผลไม้เนี่ผลไม้มันเกินกลางกลางมันจะเกิดเป็นกามขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราอยากกินมันมันก็เป็นที่พอใจของเราแต่ว่าบางคนไม่ชอบมันก็ไม่ใช่เป็นกามของคนเรานะัน แต่บางครั้งมาคราถูกยัดเยียดให้กินก็เกิดโทสะก็เกิดความโกรธมันก็เบี่ยนไปอีกด้านหนึ่งคือเบี่ยงเป็นแทนที่จะเป็นโลภะมันก็กลายเป็นโทสะเพราะเราเป็จริงๆแก็ยังมีอวิชชาก็ยังมีโมหะอยู่แต่นั้นเราก็สัมผัสโลกกันมาในลักษณะนี้ก็สะสมสืบต่อจากอดีตในตรงนี้คุณลองสังเกตว่าจิตใจของเราที่เป็นอาสวะหรือบารมีตรงนี้เราพูดอาสวะไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่า มันเหมือนกับอะไรล่ะเราสัมผัสอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้งห้านะมันก็เหมือนกับมแมลงวันหยอดไข่ปัญหาว่าหยอดที่ไหนล่ะถ้าหยอดบนกระเบื้องหยอดบนแก้วบ่จนกระจกบนไม้บนกระตามปนะฮะเว้นไว้แต่ปลาเนื้อนะไม่ใช่คือเว้นไว้แต่สิ่งที่มีเชื้อหน่าเพราะว่าคนก็มีเชื้อหน้านะฮะ คนตายมลแงวันมาตอมหยอดไข่ลงไปก็นอนเกลือกันพูดง่ายว่ายกเว้นกับการหยอดในสิ่งที่มีชีวิตถึงตายแล้วมันจะกลายเป็นเชื้อแล้วก็กลายเป็นหนอนไ ข, ข่ขางนี่ก็กลายเป็น น, นอน แต่ถ้าหากว่าไม่หยอดในสิ่งที่มีชีวิตจึงหยอดในกระเบื้องหยอดในกระจกหยอดในกระดานหยดในชิ้นอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็ตายผลอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกที่จริงมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปม้างกันเพียแต่ว่าใจเขาคนไปกำหนดค่าของมันแต่ความสำคัญแก่มันเพราะมันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเราก็เกิดเป็นกามเพราะสะสมสะสมสะสมมากเข้า ความรู้สึกกำ น, นัตและใครพอใจเนี่ยมันก็กลายเป็นเชื้ออยู่ภายในใจเรามากยิ่งขึ้ น, ขนเขาเรียกว่ากามธาตุพอมากเข้ามากเข้าสะสมหมักบ่มมากเข้าก็ เ, าเรียกอาสวะก็ก็เรียกกันหนึ่งชื่อนะฮะแต่ว่ายังชื่อไม่เรียกเี้ะแปลอาสวะคือกามทาไมเรียกว่าอาสวะคืออาสวะเนะี่ยที่จริงมันเป็นรูปธรรมะนะ คือหมายความไาม่สิงหมักห ม, มหมักดองนะั่นหลายที่หมักหมุนอยู่ทั้งหลายนี่ลองดูถังขยะก็ได้หรือเครื่องหมักดองทั้งหลายก็ได้นะมันมีแนวอย่างนั้นเนียคือมีกลิ่นแรงมีรสชาติรุนแรงแล้วก็เปิดออกมากลิ่นก็ขึงนะบางทีมันเป็นที่พอใจของคนบางพวกแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่พอใจของคนทุกพว ก, พว ก, พวกนะยกตัวอย่างเราอะไรละพวกปาลาล่าพวกไอ ไก่ปลาพวกมูดดูพวกอะไรอะไรเนี่ยคือคนในท้องถิ่นมันท้องถิ่นก็ชอบหรือแมทท้แต่คนหลังก็ชอบอาหารที่มีกลิ่นแรงๆนี่ยพวกเขาแต่มันเป็นเรื่องของการสะสมอยู่ภายในใจเขาเขาก็ชอบเก็จะงั้นทั้งทั้งที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นกลางคือจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ ได้จากการชอบเนี่ยจากการกำหนัดระคายพอใจมันก็เกิดเป็นภพเป็นภพเนี่ยเป็นเป็นความรู้สึกตัวมีตัวเป็นอย่างหนึ่งรู้ตัวความมีความเป็นและตลอดทั้งที่อุบัติบังเกิดก็แล้วแต่นะเราเด่นว่าคนเราจะต้องการเป็นอะไรไปมากเเกิดเป็นพระก็ต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นทั้งทั้งที่เป็นพระนี่สูงสุดแล้วนะะ เป็นพระนี่ได้จากโอทของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างอื่นไปนเรื่องการแต่งตั้งไปเรื่องการสมมติก็หมดหมายเอาเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ก็ที่จริงก็เรื่องสมมติเอาบางทีพัดเนี่ยที่เรามาจับสมัยที่มาเป็นราชาคณะชั้นราดนะนะที่พระราชาธรรมนิเทศพัทถึงกับหัวจังเลย อย่างนึกว่าอายุก็คงจะอย่างน้อยก็ห้าสิบปีนแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พอใช้แล้วก็ซีบอกเพื่อนว่าเนี่ยเจ้าของคงตายมาหลายศพเลอของผีนะไอ้ใช้ใช้ของคนตายกันมาเรื่อยๆเราเองก็ต้องตายต่อแต่ว่าไอ้กระแสของอวิชชาคือความหลงเนี่ยมันก็ทำให้คนอยากได้อยากเป็น เราจะเห็นว่าทั้งสิ่งที่เราได้และสิ่งที่เราเป็นมันต้องจากเราไปละเราจากมันไปแล้วก็จบลงที่ความตายอย่างช้าที่สุดเนี่ยเราต้องทิ้งเขาเมื่อเราตายสิ่งเหล่านั้นเราก็เจอระหว่างทางของชีวิตเรานะเราไม่ได้เป็นจริงเราไม่ได้ได้จริงเราไม่ได้เป็นจริงแต่ว่ามนุษย์มันมีอวิชชาเนี่ย เป็นความมืดบอดในเชิงเหตุผลก็ยึดติดในสิ่งที่ตัวได้แล้วก็ยึดสิ่งในสิ่งที่ตัวเป็นพอได้ก็ได้อยากได้มากขึ้นอ้าวพอเป็นก็อยากจะเป็นใหญ่ขึ้นแล้วผลท้ายไม่รู้เมื่อไหร่จะจบมันก็กลายเป็นปัญหาอย่างที่เราพบเห็นกันเนี่ยเพราะเราเห็นโลกมันก็เป็นเข้ามันอย่างนี้เองเพราะว่าโลกมันมีอวิชชาเยอะแล้วก็สะสมอยู่ภายในจิตสันดาล ก็กลายเป็นอาสวะก็แล้วแต่ท่านจะเรียกนะฮะบางทีก็เรียกย่อยเช่นว่าเราอาจจะเรียกว่าโยคกัณฑะอุปชิอนุสัยสังโยชน์อะไรอะไรจะเรียกกี่เยอะเลยก็ช่างแหละก็เรียกยังไงก็คือสรุปว่าเป็นอาการของสิ่งที่สรุปรวมด้วยคำํำ ง, ง่ายๆก็คือกิเลสเราก็เก็บสะสมผ่านพบชาติมันเป็นอเนกันนั้นและพวกนี้เองมันเป็นพื้นฐาน พื้นฐานอัธยาศัยนิ ส, สยัยลักษณะนิ ส, สยัยแล้วก็เป็นสิ่ ง, งที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนเพรา ะ, ะไรเพราะมันเป็นอกุศลกรรมคิดก็เป็นมโนกรรมเป็นอากุศลกรรมพูดก็เป็นอกุศลทางวาจาทําก็เป็นอกุศลทางกาย ก็สรุปรวมแล้วก็อยู่ในเรื่องของอกุศลทุจริตทั้งหลายนะครับอตัวอย่างเช่นความคิดที่เป็นไปตามกระแสของกิเลสเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะค่าบเบียดเบียนมาทุสร้ายกันจนกลายเป็นการฉลาดจนก็ได้แต่ในขณะเดียวกันพอมีการให้เหตุผลชี้แนะอธิบายกันพอสมควรก็อาจจะไม่ถึงการทำอย่างนั้นแล้วก็าอาจแอบใช้คนอื่นในข ก็เขาจับได้ลายทานวัดครัวถุจะถูกติดคุกติดตารางก็เป็นอารมณ์ที่มัน เ, เรียกมีวิหิงสาคือความเบียดเบียนอยู่ภายในใจก็ยดสุกชื่นชมที่เห็นการฆ่าเห็นการประทุษรา้ายเห็นการทำลายล้างกัดก็ยกย่องสรรเสริญคนที่ทำอย่างนั้นเราลองสังเกตว่าคนที่ดูมวยเนี่ยดูยกอย่างดูมวยนี่้างง่ายนะ มวยเนี่ที่จริงเราไม่รู้จักก็ทั้งคู่ได้ทำไปแต่ว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยสมมติไปถือมวยคนด้านใดด้านหนึ่งนี่จิตใจคนจะแปลเปลี่ยนทันทีมันจะมีโลภะคืออยากให้มวยตัวที่ตัวเล่นเนี่ยดนตัวเสมอนี่ชนะตอนถ้าต่อยได้ดีแล้วตัวเองก็จะเกิดสะใจเกิดความมันขึ้นมาต่อยไปเลยเอาน็อกเล ย, เ อ, เ, ลยเอาให้ตายเลยอะไตายนี่ย คือคือคือเกิดทุติยริดขึ้นพร้อมเลย่างๆายทางวิชาทางใจทําไมไปสั่งก็ทำนั้นเพราะว่าจิตมันได้อาได้อาหารมีสารในความคิดเบีดเบียนเนี่ยมันได้อาหารก็ อ, าารออกใหม่กันนะเพราะในพฤติกรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันมันมันเป็นพื้นฐานมาจากอาสวะคือแสดงว่าภายในใจเราแล้วมีกิเลสเยอะแล้วเราก็พอใจยินดีนะกับเรื่องอะไรก็ตามที่ตอบสนอง ตอบสนองกิเลส ต, ตัวเองนะตอบสนองตัณหากันตัวเองอบจยบุคคลต่างๆจึงเป็นการสะท้อนออกมาจากจิตซึ่งเก็บสะสมอสุวะอวิยะตลอดถึงพวกอาตยะกรรมทั้งหลายที่ปรากฏอะฮะเรามองในกระบวนการธรรมะเราจะเห็นว่ามาจากจิตของคนซึ่งเหล่านั้นมันมีข้อมันแต่ถ้าจิตคนไม่มีกิเลสมากแล้วเขาไม่เข้าไปหรอกจะเดินผ่านไม่ยังังเกียจจะทำไป แต่เพราะว่าใจของสัตว์โลกส่วนใหญ่มันจะมากไปอาสวัส์สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือในการดมหากินสร้างสถานะบางครั่งร่ำรวยแก่คนได้ตลอดมาแล้วคงตลอดไปนะฮะท่าน้ฟังทั้งหลายในการใต้ร่มพระโพธยญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงด ง, งามไปบูรณธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี